อ่ะตามสบายนมันต้องปิดไฟวันนี้ทำไมมันต้องปิดไฟอืมมันมันคงจะรีบอ่ะเสียงแอนแอนคงจะรีบรีบไปไหนไม่รู้เนาะมันรีบไปไป่า้าหรือเปล่าห่างวางกันไปออ น, นี่มีเพื่อน ถ้าใครไม่มีเพื่อนตายดูไวยด้วยมันมีเพื่อนตายมาติดต่อก็เลยวัดเราใอบบอกเขาไม่มีเพื่อนตายดูไว้ด้วยหรว่าเพื่อนเราในเวลาสอนสอนคนละอย่งนะางทั้งสอนทั้งสวดคนละอย่างสอนคนตายไม่ได้เอาสติมาสอนให้มัน แล้วทำไมทางต่อจะไม่ปิดไฟใช่ไหมมันก็หาอ่านเอามันนะเนาะมันไม่คิดว่าเขาจะมอความตายให้มันเวนลาสนอนคนตายก็ว่าจะพูดเรื่องอกุศลอกุศลแล้วก็ซึ่งเป็นกลางๆเรื่เป็นภาษาเรา เอ็นภาษาส่วนกุศลธรรมะกุศลธรรมะอราิยกตาธรรมต่างเป็นสิ้นเดือนสัพกุศลธรรมนะสอนคนตายแต่คนเป็นคงับปน ม, มือแต่เชืพอเข้าใจว่าสอนคนตายส่วนใดคนตายฟังไม่ได้ส่วนทีเป็นฟังเพราะนั้นพิธีกรรมยังไม่ค่อยเกิดประโยชน์แต่คงก็ไม่ได้ต่อต้าน ร่างการที่มีวิจิเทศเทศ่อนสวดไป็นเรืที่ดีแต่ว่าเทศก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเทศให้คนเป็นให้คนตายฟังส่วนใหญ่พอเทศพระก็จะยอคนตายคนตายดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ส่วนความไม่ดีไม่ค่อยพูดถึงก็จะดูอย่างเดียวหลวงพ่อมาคนตาย มันก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรคนฟังกเ็เลยเข้าใจว่าอ๋อที่พ่อพูดที่พ่อคุณธรรมเทศเน่ยโอ้เทศคนตายฟังไม่เกี่ยวเลยครับพเจ้าเด็กชายพิวิธีจับได้ว่าปิวิกรรมบางแห่งก็คุยกันเพราะว่าไม่เกี่ยวกันพระก็สอนคนตายก็สอนกันไปเราคนเป็นก็คุยกันไป นั่นคือข้อเสียของวิธีกรรมวิธีเคินก็นครูก็กพัฒสอนให้ให้เข้าใจเรื่องกุศลอากุศลแล้วก็ทำที่เป็นกลางซึ่งเราเข้าไม่ถึงอันนี้คือประเด็นใหญ่ถ้าเป็นสรุปง่ายๆถ้าเป็นภาษาเราทีนี้เรามาสอนคนเป็นมัน้งคตรขอเป็นก็ตงเป็คำที่มันเป็นเป็น เรื่องที่เป็นไม่ใช่เรื่องที่ตายเรื่องที่เป็นก็นย่างที่เมื่อเช้าสอนพาใครฟังทางภาคเช้าทางคำํำจะเข้าใจแต่ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าพอหลพ่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยกสมาชิกมาแล้วแต่จึิงว่ามันนี้มไม่ไมให้ปิดไฟผมมองไป ร, บรอบนองไปข้างๆ พูดมาไม่รู้กี่ครั้งสร้าลหลังที่สร้างมาหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่ป้องกันอย่างดืยุงแมลงวันที่เข้ามารบกวนนั่งสบายสบายแล้วทำไมต้องมียุงั่อนที่พูดมาเป็นสิบปียี่สิบปี่ปลวงพ่อพพูดมาเนี่ยทปฏิรัพิ์ชอบมาเนี่ย มันไม่มีการ น, นำสู่พักปฏิบัติคำแรกคือสติอย่างนี้ถ้ามีสติยุงมันคงไม่เข้ามามแมลงวันคงไม่เข้ามาหลงพ่อที่เปรียบเทียบไปฟังเสมอแมันก็นร่างกายเราถ้ามีสติระมัดระวังอารมณ์ที่อยู่ข้างนอกมันคงเข้ามาไม่ได้เมื่อถ้าเราไปเปิดถ้ามันเข้ามา ไปรับเขาเข้ามาไปเชิญเขาเข้ามาคือแขกมารับเชิญเราจรึงเรียกว่าเราไม่รักษาสติเขาเป็นงี้มานานแล้วเราทิ้งเราคว้างเพราะนั้นข้อแรกชเรียกว่างสติถ้านก็บอกให้นั่งนั่งคุบหลัง เร็วนางคูบันลังนังสมาธิเร็วนางคูบันลังแล้วก็มันน่าจะทํำพิธีให้เป็นเรื่องพิราวดีไหมทําพานดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็ขออัญเชิญสติกับเข้ามาร่างอดีไหมมันน่าจะดีกว่าไปถวายหัวหมูหัวห ม, หวมาอะไรกันถ้าจะทําทําพานดอกไม้ทุบเทียนอย่างนีหรือเปล่า ทำไปดิขออัญเชิญสติกลับมาอยู่กับตัวที่หนังคู่บันหลังกันเนี่เพราะสติอยู่นิ่งไม่อยู่กับตัวพกนายเราถึงถ้เป็นลูกก็ทิ้งเรื่องทิ้งทิ้งควาความไม่เจใสดูแลคือเข้ามาบ้างออกไปบ้างบ้านบ้านคือร่างกายคือตีออกไปข้างนอกกันเนี่ยมันไม่อยู่กับบ้านนะ่ะ ไปไปเชิญสตักกรรมข้างนอกไปโดนแดดโดนฝนโดนสารพัดข้างนอกกว่าจะเข้ามาได้มาหลอกปอกแปเปียกอันนี้เขาเรียกาทางปฏิยัญเชิญที่มาสติสติเข้ามาเนี่ยและจิตจิตข้างเราที่เราคิดเรี่ยงของเราแ่บงังคับมันไม่ได้ก็ให้มันอยู่กับสตินี่ให้สติอบรม อบรมจิตของเราเนี่ยให้มันหมอบให้มันการาบราบคาบอนี้มันจะได้ไม่ดื้อดันเขาเสถียร่ยกับตัวมันจะดื้อดันแต่เขาอบรมไหวเห็นไหมที่ออกไปข้างนอกมันโดนแดดโดนฝนเปี่ยนมาล็อกบอไปกับเพราะอะไรเพราะออกไปที่ยวข้างนอกบ้านใช่ไหมเจ้าเสถียรมันก็จะอบรมนี้จิตมันก็จะฟัง ได้รับการอบรมจิต ท, ที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ก็เป็นภาสิตษเขามาเป็นลักษณะอย่างนี้จงเรียกว่าสติทำไมสติจะมีความสำคัญเพราะนั้นสติฐานรวฐานของสติรูปที่ตั้งของสติเพราะสติไม่อยู่กับฐานเหมือนตัรวรูปฐานที่ออกไปรบ แตกกระจายกระเจิงไปหมดออกนอกฐานออกนอกที่ตั้งก็โดนศัตรูฆ่าสึกรุมมันต้องกลับมาที่ฐานที่ตั้งมันคือศัตรูจิตเราก็เช่เนเดียกันมันออกไปรับอารมณ์ซึ่งอารมณ์อะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามาจะคิดก็ดีจะพูดก็ดีจะทําก็ดีให้นึกถึง อย่างน้อยที่สุดถ้ามันคิดไม่ได้การคิดมันเรื่องที่เป็นเป็นมงคลนึกถึงคนก็เห็นึกถึงคนที่เป็นมีสาระมีประโยชน์เป็นที่พึ่งได้แท้จริงใช่ไหครับคนเนี่ยนึกถึงพุทธเจ้าเป็นตน้นแต่นึกปัจจุบันไม่ได้กปัจจุบันนั้นึกถึงใครที่เป็นปัจจุบันเรานึกถึงใครถ้าฝ่ายโลกเราจะนึกถึงใคร ภายธรรมเราควรจะนึกถึงภัฝ่ายโลกที่สูงสุดติดไปรเรื่องของโลกก็คือพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องถามพระเจ้าปกครองประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรท่านปฏิบัติตัวปฏิบัติตนปฏิบัติพระองค์อย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าที่ผู้ได้ฟังดูเสมอว่าผูจะปฏิบัติอย่างไรท่านก็จะตัดอย่างนั้น ท่านจัดอย่างไรท่านก็จะทำอย่างนั้นในหลวงของเราเช่นเดียวกันท่านปฏิบัติอย่างไรเขาก็จะจัดอย่างนั้นพยายามที่จะสื่อสารให้กษัตริบริวารประสบนิกรทุกบ้านทุกเมืองให้เข้าใจหลายครั้งหลายวาระหลายโอกาสที่พระองค์แสดงไม่ใช่ในหลวงของเราคงเดียว พระเจ้าปผ่นดินหลายพระ อ, องค์แต่รัช ก, กาลที่สี่เป็นต้นพยายามใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปกครองผเผยแผลโดยตลอดโดยเฉพาะชัดเจนที่สุดก็คือรอัชกาลมาถึงรัช ก, กาลที่เก้าของพวกเราพรยาออยามที่สื่อสารบอกกล่าวแก่ประศรกรธหรือข้าราชบรารเาณ์จวกึงการปฏิบัติธรรมพระกระฐานะท่าน บ, บริวารวันหนึ่ง ก็เมือนกับผู้ยถาถามพระอนุตคนจะรับแบบเป็นอย่าพระอานุนผู้ยถาถามพระอนุเรื่องความตายเพาะวันหนึ่งเรื่องถึงความตายกี่ครั้งพระอนุต้องกระตอบไปตามภาษาของท่านเพราะตอนนั้นท่านก็ยังไม่บรรลุพระอริยะอามันเป็นประสบการณ์แต่ไม่ได้รู้พระอรหันต์ท่านก็ตอบประทานภาษาของท่านให้หลวงเราเช่นยกันทำก็ตทบไปวันเรื่องลมหายใจ อาถาวันหนึ่งหนึ่งนาทีหายใจกี่ครั้งไม่เคยตอบดหนึ่งวินาทีถึงทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีและที่ผ่านมาทั้งชีวิตตัวหายใจกี่ครั้งในหายใจนั้นท่านก็อ้างครับอาจารย์อ่านพระพุทเจาเราเคยหายใจยังไงหายใจกี่ครั้งหายใจด้วยความมีสติไหมที่หายใจเข้าหายใจออกนี่คือในหลวงของเรานาะอืม เรโดนเป็นนักปฏิบัติทมให่แค่ตัวอย่างแล้วอื่นๆเช่นทั่วๆไปเช่นการทุจริตก็เช่นเดียวกันพวงกจษบอกไม่ให้ทุจริตเลยมันไม่มีหรอกแต่ถ้าจะมีขอให้ทุจริตน้อยลงเท่านั้นเองไม่มีเลยวงเป็นไปไม่ได้ขอให้น้อยลงนี่คือในหลวงของเราเพ้าท่านก็บอกว่ า, วา ถ้าเราคนดีเราก็ต้องไปคิดเ่อคนดีจะเป็นคนลักษณะอย่างไรระหว่างเม็ดหรือว่าเพื่อนคนดีเขาก็มีเพื่อนอีกแบบคําว่าเพื่อนคนไม่ดีเขาก็มีเพื่อนอีกแบบหนึ่งเขาก็เรียกว่าเพื่อนเหมือนกันทั้งสองคนทั้ง คนดูแล้วคนไม่ดอเขาก็ชื่อว่าเพื่อนเหมือนกันแต่มันต่างกันที่พฤติกรรมใกนการแสดงออกทางความคิดการพูดการกระทํานะแต่ว่าเพื่อนในทางธรรมยังอยู่ทีพวกเราทั้งท่านทั้งหลายเกียกับกลัลยาณมิตรกลัลยาณธรรมโดยเฉพาะอยู่ทางพระอัญเชาวาสหธรรมิกกดีนใช้ศาสตรธรรมิกจริงๆโดยความหมายแด่จริงไม่ธรรมดานะ ความประพฤติระดับความรู้สึกนึกคิดปุงแต่งภูมิความรู้การปฏิบัติโค้งงองๆเรียกว่าสหาธรรมนิดจริงๆไม่ใช่ ว, ว่าแค่เป็นสภาวะโดยเพศเป็นเปสุขสามัญก็เป็นสหธรรมิดกันมันลึกซึ้งกว่า น, นั้นแปลว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ร่วมปฏิบัติธรรมคํามาร่วมปฏิบัติธรรมมันต้องเห็นอะไรมันต้องมีดีขึ้นมัา ถ้าปฏิบัติจริงถ้าสหธรรมิกะคือผู้ร่วมปฏิบัติธรรมจริงตัวฉนันก็ปฏิบัติธรรมไม่ใช่สวัดหลักหูหลักตาแล้วก็ไม่เกิดปัญญาเพราะว่าสติสมาธิปัญญาไม่ครบสติกไ็ไปมั่งมามั่งไปมามั่งสมาธิก็เหมือนกันปัญญายังไม่ต้องพูดถึงเนี่ยคือว่าสหธรรมิกมันต้องครบ จึงอยู่ด้วกับคนมีสติไม่ใช่ปัสจากสติมันเขายาดฝึกฝึกละเอียดละเอียดหมาแม้แต่ของห ย, ยาบหยาบของหยาบหยาบเนี่ยทําให้มันละเอียดพาจะเห็นประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านการวางของการใช้ของคือแม้ที่อยู่บนท่านจะรกรงหลังเตอของวางตรงไหนอยู่ตรงนั้น จะเหยีบจะใช่ก็ได้ทันทีมรตามประวัติเช่นเขาเป็ขครูอาจารย์เช่นปูวานปูจ ว, วนรูส้สึกลูกหลังหลังล้นท้ายๆไปอยู่เน่ก็คือแก้วน้ำวางตัวไหนอยู่ตรงนั้ น, นตั้งแต่ปุ๊มันเราลงมั่งมันโดยลงตามหาบุตรเทพจริงจังเครื่องคัดกะเพราะ อ, อันนี้เาพราะโดนมาก่อนถ้าไม่โดนไม่จังถ้าจริงจริงจังเรื่องวาง ข้าวางของให้มีสติไม่ได้ของห ย, ยาบๆไปไหมคําว่าสตินี่คําแรกเราจะใช้ไม่งั้นมันก็รู้เรากองอะไไม่ได้วราอาจารย์สอนละเอียดไม่แต่ของห ย, ยาบๆไม่ไต่การยืนเดินนั่งเดินขึ้นโาลา่าสมัยก่อนมันเป็นไม้ขึ้นไม้กระดานเดินบันไดขึ้นมารู้แล้ว คนไหนฝึกไม่ฝึอโรแล้ ว, ลวก็ขึ้นมาสะเทือนทั้งศาลานะีไม่ใช่หรอเดินคนเดียวนะสะเทือนทั้งศาลาแนละ้วยกกังกะเป็นดินไหวนะอันนี้ไม่ใช่หรอกก็คนไม่เคยฝึกไม่เคยหัดแล้วไม่เคยโดน น, นี่ลักษณะคนเขาฝึกมันจะจำโดยเฉพาะจะเป็นเด็กเป็นเล็กโดยเฉพาะฝึกฝึกถ้าเป็นพาขาวก่อนที่บวชครไม่ฝันก็ไม่ฝึกบวไม่ได้ นักนคือสมัยโบราณต้องฝึกกิจวัดข่าวัดทุกอย่างถึงจะเอาพระเหลืองมาห่มไม่เหมือนทุกวันคือวันท่องยังไม่ได้ได้บ้างมาได้บางก็สงสารกันอนุเคราะห์กันอนุโลมกันนี่จะเป็นที่มาความมักง่ายเราไม่ได้เห็นคุณค่าของบรระชาอุสมบทแล้วก็ไม่รู้ความหมายด้วยว่าบรรประชาอุสมบทที่แท้จริงคืออะไร เพื่ออะไรเป้าหมายเพื่ออะไรเพราะไม่ใครชี้ป่าวเห็นขบวดจกักก็ว่าบวชเช้าสายบ่ายคำ่ำจำมัดตื่นขึ้นมากี่โงกินขี่ถ่ายเยี่ยวชีิพปัจจุวันอะเป็นวงจรอยู่อย่างนี้แล้วเราก็นึกถึงอวันวัฏฏะคืออะไ ร, ะระเราไปเชื่อร์วัตฏะสุสานว่าน่นก็แก่จะตายไปตรงวัฏฏะสั้นๆอันนี้เราย่ามองไม่เห็น แล้ววัฏฏะที่ยืนยาวนานไกลขนาดนั้นเป็นร้อยเป็นพันปีไะเราจะไปมองเห็นได้อย่างไรวัตถุสติอันนี้นี่มีหรืมีน้อยหลังเบื้นงตนน้นเราบอกให้เรานั่งคู่บาลังต่างกายเราต้องดัามรงสติให้มันความหมายมก็ต้องตื่นให้มันผูกมัดอยู่กับอารมณ์อะไรอันหนึ่งจิงใดจิงหนึ่งแต่เนี้ยถ้ามีสติเราคิดได้ คิดทำอะไรทำเกิดปัญญาคิดอย่งไรคิดทำเกิดปัญญาพูดอย่างไงก็พูดได้ขอให้เกิดปัญญาทำอะไรก็ได้ขอให้เกิดปัญญาสุดท้ายไปสั่งเกิดปัญญาเพราะชีวิตปัญญาแล้วมันรวมคำว่าชีวิตของเราชีวิตที่เต็มไปด้วยสติสมาธิปัญญานี่คาว่าชีวิตสติสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นได้อย่างไรชีวิตกลับมาวงไปที่จิตอืม สตมุม่งไปที่จิตสติอบรมจิตเพราะนั้นจิตเราไม่รับการอบรมมันก็เหมือนเป็นเด็กมันเลยไม่โตเหมือนเด็กที่โตมาโดยไม่รับการเรียนรู้ไม่รับการอบรมในทางที่ถูกต้องมันจะโตขึ้นมาในสังคมประสภาพมันจะเป็นยังไงเหมือนกันจิตของพวกเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันการติดความรู้สึกต้องคิดขึ้นไม่ได้ แล้วมันไปรับการอบรมสั่งสอนเลยมันจะเกิด อ, อะไรขึ้นนะ่ะนั่นคือสภาพจิตที่ขาดการอบรมเลี้ยงดูดูแลสั่งสอนโดยตัวเราเองดูความหมายภายนะั้นการปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมซึ่งก็เราก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรเราก็จะว่านังง่งรับมือรับตาไปวัดไปสํานัก ทั้งหลายอะไรก็เชื่อปฏิบัติธรรมซึ่งก็ไม่รู้ปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติด้วยความไม่รู้ปฏิบัติเพื่ออะไรก็ไม่รู้เช่นกันรู้ด้วภาพรวมภาพกว้างว่ามาันมาแล้วมันดีก่อตั้งคอตั้งดสารกันไปว่าสามวันห้าวันเจ็ดวันเดือนปีปฏิบัติเพื่อคลายทุกข์ก็ว่าอย่างนั้นจริงปฏิบัติธรรมจริงอ ถ้าการให้เรามีสติม า, มาควบคุมเครื่องหมายเครื่องมือที่อยู่ในตัวเราควบคุมตาเขาตัวเองให้ได้ควบคุมหูเขาตัวเองให้ได้ควบคนุมปากเขาตัวเองให้ได้ที่มันแสดงออกที่ว่าออกไปรับรู้ข้างนอกพูดง่ายคือมาออกไปคบข้างนอกถ้าคบคนดีมันก็น่าจะดีแต่คบคมพ่านนี่เกิดอะไขึ้นต่ อ, อไปข้างนอกควบคุมพ่านไม่ได้ไเลยหรือจินออกไปนอกกายทั้งวัน กลับมามาได้อะไรเลยคุณราจะไปเที่ยวราจะไปดูไยดั้นท่านจะบอกว่ารูปเสียงกิรัฐปุทธะธรรมอารมณ์อันเนี้ยมันเป็นสังคตะเป็นเครื่องปรุงเครื่องแต่งทำให้เกิดการปรุงแต่งของพวงงงเกิดทั้งปรุงด้วยทั้งแต่งด้วยเรียกว่าสังคตะถ้าปรุงแต่งอะไรที่ดีมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่มันไว้ใช่อย่างนั้น มันไม่เคยคิดจะปรุงแต่งในทางที่ดีเพะ้นจึงเป็นที่มาของความเดือดร้อนกับตัวเราตัวเราก็สังขารร่างกายถ้าเสียขนหาอันนี้ตัวที่ขอรู้เท่าไม่ถึงกายพอตาไปเห็นรูปแต่ ว, ว่าตาปเปลี่ยนรูปมันเกิดมันก็ธรรมาชาติของเขาอะมีอารมณ์เขียนมันก็ชอบไม่ชอบเฉยๆก็มีสามเรื่องกันแะถ้ามีผลงานถ้าขับต่อก็เรามีสามข้อ เจะเอาข้อไหนชอบไม่ชอบเฉยเฉยจริงๆมันไม่ได้มีมากเรื่องเลยมีกระสับมันมเรื่องเหตุเพราะว่าตาเนี่ยไปผัดสะไปกระทบแล้วเกิดผัดสะเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วก็วิญญาณพรู้ขึ้นมาแล้วสติมันตามไม่ทันมาตามไม่ทันก็คุมไม่อยู่ก็คุมไม่ได้ โูก็เหมือนกันรับออกมาแล้วมันควบคุมไม่ได้เพราะสตินี่แหละคําเดียวคําแรกนนะก็เป็นที่มาทำไมต้องฝึกสติจะเป็นเรื่องใหญ่ฐานก็อยู่มันก็คือนี่แนละ้ก็ตัวเราเองไม่มีใครตัวเราเนี่จะฝึกแบบไหนก็แล้วแต่เดินเดินนั่งแม้แต่นอนแต่ว่านอนมันปลส ย, ยากสติกันนี่เองเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้ว คันห้ามีอยู่ครบก็จริงแต่มันใช้ไม่ได้แต่ปุณางไงมันก็ใช้แค่ขันสีขันห้าที่ใช้อยู่แขกปลายจมูกลมหายใจเท่านอื่ น, นอื่นไม่ใช้ไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวจาก น, นี้เราออกไปก็เลยทำเป็นพระก็เลยจำวัาามมดคือนอนนหละพอนอนเสร็จแล้วก็ไม่พ้ถึงสติติและมันรู้สึกน้องใช้ปุนต่งตามันมักออกไปรับรู้ข้างนอ ก, นอกคือมออกไปเที่ยวละ หมูก็ไม่รับรู้ข้างนอกปากก็รู้หรือตัวจ้มูกันเดียวแต่จิตรือว่าใจมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนมันมีรูปมันก็สร้างขึ้นมาเองสร้างภาพขึ้นมาข้างในขึ้นมาในใจคือมโนภาพเองเพราะนั้นในขณะหรือ ว, ว่าตราบใดก็ตามที่เรายังฝึกสติน้อย แต่ปกตีน้อยไม่เว้นแม้แต่พระสุดากสกัตถะอนาคามสติไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นที่มีศัตรูไม่มีกาวันัีนมี ค, นคืนถ้าจะก็รับรู้สภาวะเหมือนกันไม่มีมืดไม่มีสว่างแต่ท่านจะรู้รู้แล้วก็ยวกับเสียงเราได้ทุกเรื่องม่ไดิจมาได้ค้องก็รู้เฉยๆโดยสภาวะ กระทบก็คือปัจจัยที่มันเกิดผลสามอย่างก็เลยก็เวทนาก็คือชอบไม่ชอบเฉยเฉยนี่นคือสภาวะของคนทั่วไปของมนุษย์ที่ไม่ฝึกไม่หัดไม่ปฏิบัติคือท้ายกลายเป็นธาตุธาดความสุขธาตุความทุกข์ธาตุความเฉยเฉยนั้นเลยที่ไม่รู้จักวางไม่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวนิดหน่อยก็ออยังดีแต่ไม่ได้เลย ความคนนึกไม่ได้เลยยิ่งหนักเก่าๆเลยคนนี้ไม่รู้จักสภาวะของตัวเองสำหรับคนที่ไม่ฝึกไม่หัดไมาปฏิบัติเลยเพราะนั้กผู้จะเปรียบเทียบไปแรงแรงมากๆเลยเหมือก น, นกับฝั่งโน้นไม่ต่างอะไรกันเหมือนเรานอนไปปุ๊บนี่มันก็ไปต่างแล้วคนตายมันทําอะไรไม่ได้เลยโดยสภาวะไม่รู้ตัว เป็นสภาวะที่ไม่รู้ตัวคือไม่มีสตินั่นแหละมองดูตัวเพราะว่าไอ้เจ้าจิตนี่แหละจิตเียมันไปไปโชว์ตัวออกไปข้างนอกทุกเวลาทุกครั้งทุกนาทีมันทํางานเรามันเขาก็อยู่เขามันเมื่อวันอยู่กับร่างอันนี้ไม่ได้ ค, คือพิเจษบทรูปคือธาตุดินนะ้ําไฟลมอยู่ไม่ได้สี่ตัวก็ออกไปโดนที่ไหนก็แล้วแต่ โดยโรคไข้เปรตเดือนโดยหมดอายุไข่อายอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้แล้วเวทนาเบียดขั้นยั่งหนักมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ออกจากร่างเหรือออกจากร่างจะไปไหนเนี่ยมันเหลือแค่สี่ตัวคือรูปมันเป็นรูปหยาบมันไม่มีแล้วเหลือแต่รูปละเอียดพาไปมันก็อาศัยด้วยจิตมันคิดขึ้นอะไรขึ้นมานึกอะไรขึ้นมาเป็นพบเป็นชาก ก็คือเป็นภาพนแล้วลก่อนที่จะเป็นชาติเรวเกิดเนี่ยมันก็อยากพบพบก่อนก็เรว่าชาติชาติก็ชราพยาธิมรณะโสกอริเทวตามมาเป็นส่วนในเป็นผลวงของเขาต้นสุดท้ายปลายทางก็คือดับก็คือตายมรณะนี่นั่นคือวงจรแต่ว่าจิตใจคนไม่ฝึกไม่หัดมาปฏิบัติมันไปไม่ถึงของเหล่านี้ กระบวนการมันไม่ถึงอ้ถึงก็ดับของของคิดอะมันไม่ถึงตอนพูดเจ้าจะสื่อให้เราให้เห็นเห็นว่นาเนี้ยเรืองกันเห็นการเกิดของมันเห็นการตั้งอยู่กันดับไปคือการปรากฏตัวของมันปรากฏลักษณะถ้ามีสติเอนมีทางพระเจ้าตรถูกเป็นตัวตั้งต้นพร้อบอกว่าเป็นแม่ทัพนายกองพระรัติไม่สั่งไม่มีทางแม่ทัพนายกองถ้าแม่ทัพไม่สั่งลูกน้องจะไปทําอะไรได้ เราขาดเมตถตัวนีน้ก็คือสติอันนี้แหละคือขาดปมตถในกองสุดท้ายเราไปฟังอะไรก็ไม่รู้เหมือนทุกวันเรียนหนักก็ไปคือไปฟังข้างนอกฟังตาตัวเองเห็นแล้วก็ตัดสินใจฟังหูตัวเองรับมาแล้วก็ตัดสินใจไปเลยที่เราเป็นเปนอยู่ทุกวันนี้เราเพาะนี่นั่คือการขาดการใจตรองพิจารณาในทางปฏิบัติเพรนั้น ผเราในขณะที่เป็นนะัพกพุทธนาฏปฏิบัติคิดได้ไม่ได้ห้ามให้คิดแต่ว่าให้คิดแบบถ้ามันอดคิดไม่ได้จริงท่านก็บอกให้เราอย่างน้อยที่สุดก็คือในขณะทีาเราฟุ้งซ่านแต่ว่าเอามาอยู่คนณแดงก็ให้ดึงกระบ๋าตัวเองโดยเนืเ่องถึงพุทธคุณทัพพคุณสังฆคุณด้วยการภาลนากระด้างโดยกันนึกกระด้าง เราคายปาคือสวดทั้งหลอดแต่ว่าเป็นการสวดในใจอาจจะนึกอ่อนในใจหรือนึกถึงคุณของของท่านคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณพระเอกรองคุณของคุณพ่อคุณแม่คุณของครูบาอาจารย์กิจใจมจะได้อ่อนยงจะได้ไม่แข็งกระด้างไม่หยาบไม่เราเราไม่มีใครเลยไม่มีใครก็แปว่าเาจิตในขนาดนั้น มันไม่มีครูไม่มีอาจารย์เลยว่าสุไม่มีครูมันจะดีไหมเราเป็นคนมีครูนะมีครูบาอาจารย์มีพู้เจ้าประทรมประสงค์เป็นครูบาอาจารย์แต่เราต้องวันวันหนึ่งมันจะนึกถึงไม่พาณาเป็นนึกถึงอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระก็หมดไปวันวันหนึ่งวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงแปดชั่วโมง บอกก็ทำมาหากินที่เหลืออีกอ่ะบอกเขาก็วันเหนื่อยถ้าหลับไปในขนาดนั้นจิตมาอยู่ไปได้โดยกุศโลบายหรืออะไรไปแล้วแต่เหมือนหลวงพี่วัดเ้าเนี่ยตายตอนไหนยังไม่ใครรู้เลยเนนะก็พอไปแล้ว1ิวันที่สิบห้าที่ผ่านมาความที่ไม่เอาใจใส่กันหาข้าวให้กินเห็นว่า ไม่ออกมาก็เอาข่าวไปไว้ข้างนอกเทนที่เปิดเข้าไปดูมันก็อาจะเห็นแล้วก็เปล่าเอาข่าวไปวางไว้ข้างนอ ก, ก เ, นเนี่ยขอให้สร็จสติเองเนี่ยพ่าวล้างเที่ยงบ่ายโมงไม่ออกมาฉันไปเปิดดูอ้าวจิตไม่อยู่กับตัวแล้วจิตออกจากร่างไปแล้วจะเรียกว่าตายได้แล้วก็ไม่รู้หมดโดยสภาละเห็นไหมนี่คือคาว่ า, าตาย เราเหมือนกันถ้ากลับไปกลับกุฏิกลับบ้านกลับบ้านกับมอนกับช่างเราสติมันไม่อยู่กับตัวจะเกิดอะไรเกิดอย่างนียกว่าตายสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้น่นอนคิดเอาไว้ก่อนทำให้มันเกิดความเคยชินกับสิ่งเหลนน่านี้เอาไว้ก่อนเพราะ้ในกรรมฐานจะตรารักคืออารักนะ กรรามฐ า, านสี่อย่างคือเราสวดสวดกันแต่พวกเราไม่ค่อยได้สวดกันแต่สำนักอื่นก็สวดนะก็ถ้าสวดเขาแปลก็จะเพราะแต่เป็นภาษาเราง่ายๆคือนึกถึงพระพุทธเจ้าภาษาเร า, าอักษคือแม่ต า, า, าคือตั้งนแมตางภาษามันก็คืออสุภะซ่งคือมรณะนนะ ขมานขสุดท้า ย, น, น, าาาาายนั่นคือมรณะเต่กรรมฐานนั้นสี่อย่างนี่ก็เป็นสามารถที่จะเป็นโอปาาิยโกน้องก็เอาไปสติได้เริ่มต้นจานึกถึงคุณของพุทธเจ้าพุทเจ้าเราไม่ต้องมันึกถึงพุทธรูปเพราะอันนี้เป็นรูปเปียบเสือ่อนเป็นปุณหเดินสายอ น, นึกพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระองค์อพระองค์เป็นผู้มีปัญญาที่คุณบริสุทธิคุณมหากรณาติคุณ นั่นคือคำว่าพุทธเจ้าไมยายนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์นี่แปลว่าพูดอุนนศักดิ์สิทธิ์พุทธรูปอุนิศักดิ์สิทธิ์มันไปคละเรื่องกันแล้ไม่เกี่ยวกับคุณของพระเจ้าแล้วกลายไปว่านับถืออะไรก็รู้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ม่นับถือคุณของพระองค์เพราะฉะนั้นที่เราภาวนาเราสวดตัวงคือธรรมวัเชา้าธรรมเย็นก็คือภาวนานี่แหละภาวนาพุทธคุณทําคนสังฆคุ ณ, คณนี่คือหลัก แต่ทุกวันเราเป็นเนื่องเกอะไรไปไหว้หลวงพ่อหลวงพี่ปุณณะหลวงพ่อดอยสุเทเพหลวงพ่อท่าดอยคําหลวงพ่อโสธรหลวงพ่ออะไรสิรรรงคุณคุณไหมคุณคุณไหมนะว่าอะไรสิงเนี่ยคือเราไปไหว้อะไรสุดท้ายก็ไงายท้องกลับมาแล้วก็ไปโทษไปโทษคนที่เป็นปุถุชน เป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่เฉยเป็นเครื่องหมายที่เฉยล้วไปโทษร่วมศาสนากับเรือรวมพระทั้งประเทศกันไปด้วยเปรียบเทียบกับหมากับแมวไปด้วยเลยตอนนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ะสติสมาธิปัญญาไปไหนเอาไปไว้ที่ไหนเอาไว้ใ น, นกระเป๋าตังรกรป๋กางเกงมันอาทำไมไม่เอามาใช้มาใช้ดูความมีสตินะอันนั้นไม่ใช่ปอบกุฎิเจ้ามัใช่แล้วไม่ใช่พระ มาาาันขะจัว่าเป็นพระไม่ได้เป็นพระแล้วเป็นคนยังไม่ได้เลยจะเรียกวาพระเลยเป็นคนยังไม่ได้แปลว่าศีลห้ายังไม่ได้เลยศีลห้ายังได้เขาจิไมเรียกว่าคนนะมันหนักบางกีพูดกันเล่นๆพูดกันเล่นๆ น, นะและ้วจะไปว่ากันนะอันนี้เขาว่า น, น่ะเราไม่ได้ว่าพราเราจำมันขอทานใช่ไหมขอทานวัดไร่สิง กวาที่เป็นล้านเขาเรีบอกว่าขอ่านขึ้นสวรรค์สมพานตกนรกเห็นไหมมันพลิกนิดเดียวมันพลิกนิดเดียวจิตของเราไม่ธรรมดานะอย่าไปเล่นนะจิตของเราต้องบอกต้องฝึกให้สติมษษสมาธิปัญญาเข้มขลังบรกพูสามคนะ แต่ท้ายคือเอามาใช่กับอะไรแช่กับชีวิตของเราทุกคนทุกเร่อไปในการดำรงชีวิตถ้ามีสติมีสติมีปัญญามันก็มีผลต่อชีวิตของพวกเราในการดำรงชีวิตเมื่อมีผลต่อชีวิตของเราก็แปลว่ามันมีผลต่อสังคมคือการอยู่ร่วมกันตั้งแต่ระดับครอบครัวถ้าเป็นสถาบันแล้วครับตั้งแต่วัดตำบลนำเจังหวัดภาคประเทศ ก็ไปเลยทั่วมนะั่นคือผลเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนทุกคนฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของตัวเองไปที่ไหนก็แล้วแต่ดยูวิธีไหนก็แล้วแต่สอนเหมือนกันหมดแหละมันจะเป็นทางสำนักนัน้นสำนักนีน้สำนักโน้นซึ่งปัจจุบันทรืงนี้มันเยอะแยะมากมายเรื่องมีประดิษตผิดแปลก แจกว่าทำมีนายก็เยอะเพราะควที่เราไม่ค่อยได้ปริยัติกันปริยัติหมายก็ว่าตั้งแต่ตน้ตนต่อจริงๆในทางปฏิบัติตั้งแตสติปัฏฐานมันเป็นยังไงมายังไงถ้อาอนุตัวที่เป็นตัวชี้วัดแต่ละท่านแต่ละที่แต่ละสอนแต่เพรานะราทุกวันลรสอนนื่องจากเกิดจากประสบการณ์ตรงเอาประสบการณ์ตรงมาสอนเราไม่เอาหลักจริงๆต้นต่อต้นแบบ ต้นชาบับจริงๆมาจากไห น, นมีความเป็นมาอย่างไรในขณะที่ผูดจะตัดซึ่งเหล่านี้มีเหตุและวก็มีผลอย่างไรเหตุก็คือที่เป็นที่ตัดนื่องจาเพราะอะไรผลจากการตัดแล้วเป็นอย่างไร น, นั่นก็เรียกว่าเหตุผลแล้วเราจะรู้ความจริงความจริงมันคืออะไระะเพราะนั้นสติสมาธิปัญญาสุดท้ายปัญญาเกิดแล้วเราจะรู้ความจริง มืนสติที่บอกมื่อกีให้นั่งคู่บาลังเสร็จนั่งหนุบาลังเท่เท่านี่ไอตัวสตินะอแต่มันก็เรเรียกอเจ้าสติเข้ามาครับหมอเข้ามามาฝึกหน่อยมาฟังอบมอาจะ้ค่าจะอบรมให้สติอบรมจิตสติอบรมจิตสติมันดีแล้วจิตมันดีแล้วมันก็จะไม่คบเพื่อนที่ไม่ดีคืออารมณ์มันก็จะไปออกไปนอกข้างนอกครบคนนั้นคบคนนี้ก็คืออารมณ์นั่นแหละ ที่เราไปเสียั้างหทูทางตาออกมาทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็จะรู้แล้วมันก็จะเชื่องคงไม่อยากแช่กับวัเชื่องเพราะมันจะมนไม่ใช่มันไม่มได้แช่กับคำว่าคนมันเหมือนอย่างนั้นแหละจิตหรือสติ ท, ทุกคนที่ฝึกแล้วเหมือนกับว่าจาังท่านฝึกไปแล้วไม่มีทางที่จะไปครบที่เป็นมิดชั่วมิดไ ด, ดีไม่มีถ้าฝึกดีแล้วเนาะ ถ้าฝึกไม่ดีไปต่อให้อยู่เป็นร้อยปีมันไม่ต่างอะไรกับต้นไม้สายน้าโูเขาแต่เ้าดํารงอยู่เป็นร้อยตืต้นไม้บางต้นเป็นร้อยตืมแต่บางคงก็ยังไปกราบเขาอยู่นะเขาเกิดก่อนประกาศไปลูกไปคําไปแป้งไปเท้าเออมันก็ไปแย่ลงหนึ่งเนาะ เอาไม้ไปคดคดโคดหน่อยก็เอาแป้งไปโรยไปเทาก็านะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งแต่เขก็เกิดนานเหมือนกันน ะ, ะชีวิตอเราก็เหมือนกันนะถ้าเกิดมาแล้วไม่มีดีอะไรสักอย่างเลยก็หมดวันหมดเดือนหมดปีไปหมดสุดท้ายก็หมดชาติเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะไมทไมถึงบอกเป็นเรื่องที่น่าเสยาเพราะ กว่าที่จะเกิดมาเป็นคนอย่างพวกเราเราเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กและคนชราทั้งหลายเหล่ยที่เป็อยู่โดยเฉพาะในประเทศที่เรีย้ว่าเหมาะสมสมบูรณ์ปฏิรูปประเทศประเทศที่เหมาะก็อยาบ้านเราเนี่ยเอ็มบ้านเราเนี่ยใครใครเคยเห็นของข่อนในหลวงมอบให้ไห ม, หมประมาณ ประวัติ4040กว่า4647ท่านพาดมันเปนกระตูนวาดมันเป็นกระตูนแล้วจำไม่ผิดเราพระสุรนาคร์447ประปีที่รับพระที่เป็นรักษาการนี่แหละปีที่ลงปู่ท้องอินสิ่งปีตามาก็เป็นเป็นชาวาเต็มตัวในปีนั้นน่ะให้หลวงของเราพระราชทานเราก็ไม่ค่อยจําเลน ก็ดูเหมือนกับสอกสอท่าว่วไงก็สอกสทุกวนก็มีนะประเสทกางกระทำไอ้หลวงปีนันท่านก็จะวาวาดแผนที่ประเทศไทยแล้วก็รอบๆประเทศทไทยกฝั่งอันนามันฝั่งอ่าวไทย ท, ที่เราพูดๆกันอยู่เนะี่ยว่ามีอะไรบ้างทำไมเขาต้องแย่งกันจังเลยท่านกันจจาวากมารอบๆประเทศไทยตัวประเทศไทยเนะขอยากวาดอีกแบบหนึ่ง แต่รอบๆแตทา่านชาติบาตเหมือนกัำลังระเบิดรอบๆบ้านเราไม่แต่ระเบิดเท่านั้นก็ดูทุกวันหนึ่งหันไปทางไหนตอตกตะวันออกรกรอบข้างทุกวันเป็นยังงเหมือนไหมเหมือนที่ ท, ท่านว่าไปเมื่อเด็ยี่สิบกว่าปีก่อนเพราะว่าเราเราไม่แต่ะระเบิดแต่ท่านมาได้บอกว่านั้นจะเป็นสัญลักษณ์นะจ๊ะบ้านเราเนี่ยโชคดีบ้านเราเนี่ยโชคดีมากมา มีครบทุกอย่างเรื่องศาสนาเรื่องสิทธิเรื่องสารพัดธรรมะกริงบ้านอื่นลองเอาไปดูเราคงไม่ยกบ้านั้นบ้านเนี้ยลองลองนึกภาพออกตามันทุกวันเนี้ยอยู่สุขไหมลุงพวกเราไหมไม่นีข้อไปอยู่ลำบากกระดาษขนลุมเขาไปแต่ละครั้งไปที่ไประประเทศไปที่เราเราไ ป, ขปเขาไม่ได้สักต่ว่าเป็ด ไปแล้วไปเลยไปดูไปเห็นไปสังเกตสังเกตเโอ้กลับมาบ้านเราบ้านเขาอะไรมันต่องแต่กลางก็ดูสิชิเชิงโดยเฉพาะสิทธิคาดรับรู้หรือการอยู่อื่นศา ส, สนาอี่เป็นต้นเจ้เหมือนพวกเราน้อยอยี่งทิ้งไปที่มา ป, ปฏิทินเดลตูเป็นปิจนาธรรมในหลวงไปเวลาสนทนา ทำกับพรอแม่ครูอาจารย์ไปสนทานาธรรมไม่ใช่ไปกราบเชิญไปทําครูอาจารย์รุ่นแรกรุ่นเ ก, ก, ก, ก่นตั้งแต่หลวงปู่ฟันหลวงปู่เทิดวงปู่ขาวไปต้นมตซ์ใช่ไหมครูอาจารย์แสมยัยก็ตอหน้าขันทกันอย่างบริสุทธิ์เห็นม่เคยได้รับรู้อย่างหลวงปู่ขาในหลวงไปเราไปหาแล้วก็แต่งตัวรอ เขาไม่ได้มาชุดธรรมดาท่านก็นึกว่ามาแบบหัวสวมชา ด, าดัดดรองเท้างองอเหมือนจกักจักวงวงแล้วมั้งเขาไปถามหลวงปู่ว่าตอนนี้ในหลวงมาหาหลวงปู่ไม่เห็นบอไม่ไม่มาวะเห็นแต่ทหารมาห่างบอกในหลวงไม่ได้มาขเขาบอกแจ้งว่าในหลวงจะไปหาท่าน ก็ขึ้นมาบ้านพระเจ้าพอดีจะไปหาท่านท่นบอกไม่เห็นเป็นแต่ทหารมาหาเนี่ยขวายังรู้พวกแผลงเราเหมือกันพวกแผลงมาหลงมาเอาเอ า, เอาแบงอะไรดูท่านหยิบดูหรือแบงทางง่านก็คือเหมือนก็ดอกอ่ะที่มองเป็นกระดาษพอไม่ได้สนใจผวกนี้ไม่ได้รับของพูกนี้ไม่ได้เกี่ยวขวกนแม้แต่วัตถุมงคลเหมือนกัน ก็ไปวางในห้องบางนอกห้องวังขาหลวงปู่เสกแล้วาหลวงปู่ไม่ได้เกี่ยวข้องของพูกนี้เลยแต่มันสักเสีนโดยพลังจิตของท่านอย่าเนั้นอันนี้คือครูบาอาจารย์ทือที่น่ารักที่น่าเคารพเราไม่ควรจะมาเจิมจีเราจะยกไว้เหนือหัวเหนือสถานะทังปูวงซึ่งต่อไปที่จะเป็นที่จะมีที่จะเป็นอย่างเนี้ยต่อไปจะมีน้องให้ลงต้องบอกอย่างนี้ ถามว่ามีไม่มีแต่มันก็จะน้อยลงมากลงเรื่อยๆือเลยแต่เป็นสัญลักษณ์ใหม่คหมายก็ว่าคนนั้นก็บอกเป็นเส้นเป็นสายสายองค์นั้นสายองค์นี้กลายเป็นสายเหมือนเชือกเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมืนอนถนนหนทางก็ไม่รู้เพราะนั้นถ้าเป็นเส้นเป็นสายแล้วหนทางจริงต้องเอานําข้อวัดปฏิบัติของท่านมาปฏิบัติไม่ต้องกี่ข้อไม่ต้องเยอะ การหลวงปู่สิมของเรานี้เป็นต้น บ, นบัณฑุกัลยาจังของเราพระธาตุหลวงปู่พทุทรู่สอนอะไรโดยปฏิปทาก็คือเอามาใช้บ้างไห ม, มก็พยายามที่อยู่นี่ยก็คือพยายามสืบทอดเจตนาอารมณ์ไม่ได้อยากได้อยากมีอยากเป็นคือไม่ได้ชอบของคุณที่อยแล้วแต่ว่าถ้าไม่รับภาระธุระมันจะเป็นอย่างรอยต่อระหว่างจะเป็นอย่างนี้เพราะ้ำพวกเราโชคดีปีแรก ในเล่าให้ฟังปีแรกที่รับภาระเพราะเดิมดีหลวงพ่อเป็นคนไม่พูดวันวันหนึ่งแทบไม่เห็นฟันแล้วก็อยู่แต่หลังวัดอยู่นี่ปกติก็ไม่มีห้องน้ําในตัวก็ออกไปฝนตกแต่ออกก็ไปอือข้างนอกปกติไม่มีห้องน้ําในตัวพอปีแรกที่ ที่เ ร, ราป็นรสาการคืออันที่ต้องเร่าให้ฟังแม่งั้นพวกเราจะไม่รู้คนที่ต้องเคารพนับถือจริงๆสององค์เราพอไปรอดแต่ทางก็มีเวลาแต่องค์ที่ช่วยวเราจริงๆคือลูกปูประสิทธิ์คุ ญ, ญามามังกรพรรษาแรกเราพ่อไม่พูดเลยสักคำลูกปูามาเทศให้ในวันพระต้อนรอดพันศา พ่อหลวงพ่อไม่เทิดไม่ใช่มไม่เทศไม่ใช่ประเทศไปได้เทิดไม่เ ป, ปิดหลวงปู่รับพระธุระขนาดสลละวัดท่านปกติหลวง ป, ปู่คนพระวันเสี้ยคนไปหาเยอะเยอะมากหลวงปู่เสียสลละภาษาแรกทางภาษาเก็บดูเพื่อเป็นกำลังใจ พ, พ่อหลวง ป, ปู่้องเคารพหลวงปู่ต้องอินมากตอนป่วยก็ส่องอาหารส่องอะไร หลวงปู่ทิเกินชอบไว้นะแล้วก็ส่งแกงไว้ให้มาก็ปลาเข า, งาลงปลามาแต่หลวงปู่ท่เกินก็มาปรุงใหม่เอาน้ําปลาระหัดไปตยายถึงนีพังก่อนกินเคี่มากกันมากตายอยพังแต่หลวงปู่เคยพูดว่าเราจะอยู่ั้งแปดสิบปีบอกว่าอยู่แปดสิบปีไม่ถึงเจ็ดตะบกย่างเจ็ดสบเจ็ดก็ไปแล้วไปก่อนออกพรรษา ก่อนออกพรรษาก็ไปเยี่ยมบ้านตลกบวอกเงินน้อยไปด้วยถ้าจะเล่าถามเนินน้อย ก, เยกอยอยอเ็เล่าไว้ฟังสมัยก่อนนเงินน้อยรุดรุดกับเขาคนก่อนเลยล่าให้ฟังว่างินน้อยกินข้าวแรงบอกไม่ได้กินข้าวแรงเนนะไม่ได้กินข้าวแรงแต่กินปลาทูพังก็พูดถูกมันไม่ได้กินข้าวกินแต่ปลาทูอือ บกบกขำแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดเราศักดิ์สิทธิ์นะคนที่กินขาวแรงเนี่ยขกาขึ้นอ่ะแปรงได้นี่ยแขนขี้กา ข, ขึ้นอ่ะปฏิเสธไม่ได้พอขี้กา ข, ข, ขึ้นเร็จอายายใส่ก็ไม่หายแต่จะหายก็เมื่อเอาดำลายหลวงปู่ม่ใส่หายเป็ะ ลำลําายล้มปูมัญหาตาตาแต่ก็หายแล้วอะไรคือสมัยก่อนสักดิ์สิธิ์นะที่นี่ภูมิแรงว่าแต่ก่อ็ภูมิแรงไม่ได้โดยเฉพาะคือเจ้าพระองค์ภูมิเขารักสษาที่นี่ภูมิคุดีอืราะฉนั้นเราเวลาทำบุญเนีนึกถึงเขาบ้างเนาะในท่าที่เขารักษาดูแลอย่าลืมว่าที่นี่เป็นชุมชนไทยลือเก่านะ หลายร้อยปีก่อนน่ะเป็นชุมชนไทยลือเป็นชุมชนเก่าแก่โบราณตัวนี้เพราะนั้นคนเก่าของแก่มันไม่ได้ไปเกิดทุกคนหรอกคนนี้ไม่ได้ไปเกิดตรงตร น, นี้คนอยู่ตรงนี้ก็มีอันนี้คือความเป็นนี่ยนแปวันแรกอันเร้ถึง ป, ปูทองอินนิดหนึ่งประมาณวันวันที่เก้าใครมันเกิดงัเนื่อวันนั้นวันนั้นคือคืนก่อนที่จะมรณะบ้าง เขาไปเยี่ยมเยี่ยมเสร็จแล้วท่านถามนวลกรถิ่นร้อนเทาเมื่อใพจพูดด้วยภาษาเมืองมากภาษาเลยมางภาษาพระเาษฐุมาพระเจ้าก็เลยบอกทั้งว่าตัดมันใกล้ออกภาษาแล้วแต่ยังไม่ออกภาษาเขาบอกว่าก็ะถิงปีนี้ว่าเราจัดป่านี้ว่าเปกนนิ่งเหนึ่งปว่าเออปีนี้จัดกันเองเดิมบ็ยังไม่ได้ใจ ก็บอกจัดกันเองด้ยดยอยเขาไม่ได้บอกเรือะไรไปนะพอเช้ า, ชามาใบบ่ายไปบ่ายไปฟอกฟอกไตกลั บ, าบามาออกมาจากฤทธิก์ก็คอพับไปเลยเขาโทรมาบอกเขากำลังปั้มอยู่กำลังปั้มหัวใจไม่ได้แล้วแต่คนก็อยากให้ปัม้มมัสงสารท่าน่นะเอาไฟฟ้าใส่กระต่สะดุ้งเข้ามาทั้งตัวโอ้ยอย่าไปทางโอ้พอแล้ววัวใจระดับนี้ก็ถือว่าทําอะไรถือว่าเรา ถือว่าให้ให้ควสํสำคัญกับทุกคนนละเรารู้ทุกคนเป็นห่วงอยากเอาท่านกลับมาแต่แต่ไปทำอย่างนี้มันไม่ไม่ดีสุดท้ายก็ไ ม, ม่ได้ปั๊มพอแล้วบอกพอพอปั๊มเสร็จท่านก็เงียบสงบท่านก็ไปไปธรรมชาติ ก, กลับมาพอมันไปบา้างอันนี้คือหลังฉะนั้นเราก็ต้องรับภาระทร ล, ะลตออเราให้ฟังเอาภาระภาร ะ, ะแรกก็คือ อาสมเ ข, ข้ามาวัดแล้วเงินหลวงปู่หลวงมันเหลือยอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนับแล้วต้องแบงค์สิบแบงค์สาแบงค์ร้อประมาณนะั้นทำอะไรไม่ได้เงนินเดือในบัญชีไม่ถึงสนะามหมื่นในเก๊ไม่ถึงมีแต่บ 10, แบงค์สิบแบงค์สาวแต่ในบัญชีประมาณสามหมื่นแต่ยังใช้อะไรไม่ได้ยังเบิกไม่ได้เอาจะหาที่ไหนเพราะเงินตัวเองเขาไม่เคยเก็บ ไม่เคยเก็บไม่เคยสะสมโอ้มันก็เป็นโทษเหมือนกันมันก็เป็นโทษเป็นภัเหมือนกันสรุว่าไม่มีตังค์บวดมาทางชีวิตไม่มีตังค์ดูดานึกถึงวัดไรคิดจริงเลยไม่มีตังค์เขาได้มีเจ้าาออาลีกวีตเขาสมัยนั้น่ะเขามาให้มื่นหนึ่โอ้อยากไปขึ้นสวรรค์ เพราะต้องซื้อน้ําซื้อนั่นซื้อนอแต่งเขาต้องมมาลดน้ําสมเดี๋ยวเพราว่ามาเดี๋ยวผู้หลับผู้ใหญ่มาก็าไม่อะไรเลยที่ไปหาจีเยือเข้าใคร ม, ววมันจบลกมันทำมันอาบน้ําสบภายในวันนั้นตะบานบ่ายโมงบ่ายสองออกมาก็มีเวลาแค่สองสามไม่ถึงสองชัง่วโมงแล้วโอ้ก็มานั่งอยู่ในมุมหลังโบสถคนเดียวเขมารุ ม, มุตุมกัน พอดีก็เอาปัจจัยมาถาวายมื่อนหนึ่งปอฟิวโล่งไปเยอะนั่งเงนนินเงินตั้งต้นนี่การบรงจากการก็เลยบอกว่างานหลวงปูนี่ขอนะพหาวัดเราขึ้นสวดเนี่ยไม่ต้องรับตังค์ได้ไหมเพราะว่าหลวงปูให้เรามาเยอะแล้วทั้งชีวิตเป็นครั้งที่เราต้องเสียสละผมก็ไม่เอาผวก็ไม่เอาสักบาทพวกท่านก็ไม่ควรจะเอาพรานันเราสวดกันสวดฟิว สวดเท่าไหร่ก็ได้ของกลางห้องกองกลางแต่ถ้าเป็นวัดอื่นมาก็ก็ถวายแต่วัดเราพอแล้วเพราะท่านเลี้ยงเรามาทั้งชีว no ิตแล้วเราคนจะให้คืนบ้างขอหมูกะนะก็ก็เห็นด้วยก็เลยสรุปว่าเราก็สวดคือไม่เหมือนที่อื่นเราก็สวดก็คือขอถวายเท่าไหร่ก็เป็นของกลางหมดการเทศกันสวดการอะไรเป็นกองกลางหมด ก็มีเงินเก็บก็เงินเหลือพอจ้างงานได้อันนี้เราความความยากความลำบากครับสมัยก่อนกับสมัยทุกวันนี้เรื่องมันต่างๆกันมากวันนั้นก็ผู้เรากว่านึกถึงผู้ย้าวก็ทำประสงค์แล้วกัพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรักษาวัดปามาถึงขนาดนี้เื่อได้ถึงขนาดพอสอพอสอบสองันสร้อยก้าสบสามพัสองเก้าสิบสาม ก็ประมาณว่าหลวงปู่ต้องอินก็บวชหลู่ว่าอนบวพร ะ, ระหลวงปู่ต้องอินของเราเปิดเกิดปีพศ2471 71บวชพระพศ2491 93คุณเิ่งเริ่มบวชป้ายวัดสร้างวัดกนีเริ่มตนหลังสงคราบโลกครัง้งที่สองรั้นั้นดืนสามก็ฉลองบวชเราเดือนเก้าก็ฉลองเจดี เราก็ลือสาราใหม่ตอนนี้ปี 1, 5, หออป 1, 5, นึ่งห้ารือมันด้วยกันปีหนึ่งห้าเนี่ก็หลังจปีปู่โตอินแล้วเกสดาท่าทั้งหมดนก็เกิดขึ้นภายหลังเหอเนี่ก็คือค อ, ค อ, อันที่สองของพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้คิดว่าเป็นอานทส่สอตัวเองถ้าไม่มีครูอาจารย์สร้างไว้ตั้งแต่แรกพวกเราคงไม่ได้เรียนวันนี้เ อ, อันนี้คืออานาจเรพวกเราทุกคนพยายาม นึกถึงปฏิปทาพระแม่ครัวอาจารย์รักษาไม่ต้องดีไปกว่าเก่าหรอกถ้าทําดีกว่าเก่าไม่ได้ก็เอาแค่ทรงท่งรักษาข้อวัดเกวียนปฏิปทาในการทำสมัยสมัยก่อนวันพระสามสามครั้งเช้าบ่ายค่ำพระแน้นตีสามกว่าต้องตื่นแล้นะตื่นทํทาวนะัดทำวัาเช้าเนี่ก็เน้นน้อยกับสภาพเหมือนทุกวันนะี่ อันนี้ไม่เว้นแม้แต่คนพูดนะพอขึ้นไปทำวัดร้นอนโอ้โหเลยอดคาปิเปิดไฟกูรถไปแต่คำคำลงรูปนักบนะุญจะหลับต่อพอเดิน ก, กันได้ลูกขนนูวิ่งมันไม่ไหวลืมตาจะไม่ไหวอาหารสมาธิจบแวก็กร า, าบลงกักราบเรียบร้อยอารมเหมือนน้อยๆเห็นภาพน้อยๆนึกถนะึงว่าไม่รู้จะพูดยังไง เพาะตัวเองเมื่อก่อนเขเป็นอย่างนั้นคือมันลืมตาไม่ไหวคุณเด็กกาลังกินกําลังนอนนอนน้อยขึ้ น, นวัดชา้ามามันกราบมัอนที่เบ็กราบทั้งตัวเลยกราบเหมือนที่เบ็ดก่อ น, นั้น้าก็เห็นกันแต่ก็ยังดีทั้งก็ยังขึ้นหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้เวลา น, นั่งนั่งสมาธิอปูกรเทศไปขยับขยับไปหาต้นเสา หาที่พึ่งแลาวขอพับอนไปงั้นเ ด, เด็กมันไม่ได้อะไรแต่โตขึ้นมา ม, มันนึกภาพมันออกมันนั่งอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าเด็กขึ้นมาระโตขึ้นมาโอ้กว่าาจารที่เขี้ยวเข็นก็ได้ยินมั่งมาได้ยินมั่งรู้เรื่องมารู้เรื่องมั่งอย่างปูแหวนไงถ้า ก, ก็บปูพูดรู้เรื่องใม่รู้มั่งภาษาเด็กแต่ว่าเราก็ บางคํำมากินแล้วมันสะเก็ดใจแต่ลราพอเราคอยฟังบอกว่ า, วาเอิกาหมาละมันสักชาติไม่ได้เลยโอ้คําว่าละเนี่ยเราเข้าใจบทไม่ศึกความหมายหรือร ไ, งงไม่ต้องไปแต่งงานไม่ต้องไปมือเปอือความหมายเลองดูเออลองรอชาตินี้จะเป็นอย่างคําว่าละมันสักชาติได้มมีคุณธรรมเปิประโยคโอ้พทุ่นีวัน น, น่้นึกถึงคําลวงโอ้ เราอยู่ได้ถึงในวัดนี้นะห้าสิบกว่าปีเขอกเห็นมื่อคำบางคำมันอาจจะเป็นว่าคำคำนี้ในคราวก่อนคราวหลังเราเคยได้ยินมาก่อนมันกินใจเหมือนสมัยโบราณที่บุรุเจ้าสอนสาวกเอาแค่มารูปภ้าขาวมันไม่ใช่แค่รูปภ้าขาวในอดีตชาติท่านเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นพอทานั้นเป็นอารมณ์ของอดีตมันขึ้นมาเปินกระตุ้น ซึ่เราก็ไม่รู้นีคือครูบาอาจารย์โอ้ไม่กี่คําไม่ประโยคถ้าเราโอบันอีโกน้อมเขา้ามาตัวเองมันจะเป็นประโยชน์มันจะเป็นพลังมันจะเป็นกําลังใจของเราอย่างดีเพรังั้นเราพวกเราทุกคนก็เรามาถูกทางแล้วโอ้ครูสมัยอย่าไปกลับไปทีเดียวอีไปต่อไปเร็วไปช้าไม่เป็นไรขอให้ไปขอให้เดิน เดินก็นเดินเส้นสมาธิปัญญาบางอย่มีบ้างไม่มีบ้า ง, มางไม่เป็นไรแต่ขอให้เดินเดินมักสักหนึ่งก็สายกลางที่เส้นสมาธิปัญญาแล้วมันจะเป็นต้นทุนเป็นดอนเป็นกําลังเป็นพลังให้วกเราต่อไปในภายขา้านาถ้ายังไม่หมดไม่สิน้นแต่ว่าตั้งเป้าเอาไว้ว่าพยายามให้มันสั้นที่สุดทางเส้นนี้ให้มันสั้นที่สุดถ้าที่สั้นได้ก็เป็นกําลังใจให้พวเรา ทุกคนคือเราทําเถือมาดูทางแล้วไปเจอครูาคาาบาอาจารย์เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์สารบัตรหลากหลายหรือแม้แต่เห็นแค่รูปกว่าตามถือว่าโอ้ถือเป็นบุญเถือเป็นกุศลกับพวกเราที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้เจริญรอยตามถือเป็นบุญคุณของพระองค์วันนี้ก็ถือว่าหม่ยย้ำมาเตือนมาทบทวนก่อนที่เขา ได้ยินได้ฟังได้รู้มาแล้วเราทําให้มากขึ้นเหมือนกับปลาเราอจากกินแต่ของใหม่ๆมันนี้มีแล้วไม่ได้ของเก่านั่นแหละก๋วยเตี๋ยก็เรื่องเดิมขนมจีนก็เรื่องเดิมทอดไก่ก็เรื่องเดิมแค่แต่มากินใหม่มันก็ได้พลังใหม่แต่เก่ามัหมดไปกับหมดไปเหมือนบุญเราเนี่ยมาทําขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆบุญมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันแต่ถ้าเราไม่ทําเลยของใหม่ไม่ทํากินแต่ของเก่า กูลายเว่าเราเกิดมาเพื่อกินของเก่าของใหม่ไม่ได้อะไรเลยขาดทุนดังนั้นในเรื่องนี้ถือว่าเรามาได้ยินใน้ฟังมาทบทวนเพื่อให้เราเกิดสติสมาธิปัญญาแล้วก็ชีวิตคือนมาใช่คไอจีของเราเจริญรุ่งเรืองและสังคมของเราก็น่าอยู่ถ้าเราครบ อ, อุปรกรณแล้วเนี่มันสังคมปัญคมน่นน า, นายอยู่มากๆากอันนั้นจะไปโทษปัจจัยภายนอกโทษตัวเราเองเพราะสิ่สมบธิปัญญา อนนั่เกี่ยวคนอื่นเราเกี่ยวกับตัวเราชีวิตคืือเหมอนกันอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตอื่นเขามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคิดอย่างนี้นก็จบสังคมก็เช่นเดียวกันช่วยกันสร้างสังคมของเราสังคมพระสังคมโลกสังคมธรรมเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นที่ดีลูกหลานต่อไปในปัจจุบนเขาก็จะกล่าวขาน พ, าาาพูดถึงพู้เราอยากจะรู้ว่าผู้ถึงพู้แม่ครูอาจารย์ที่รวบรวมผ่านมอง แม้จะร่วงรับดาวขันไปนานแล้วการหลวงปู่เวนของเราในชื่สิบกว่า ป, ปีแล้วโมเวรเราปราณร้อห้าปีสมั8รอยี่สิบแปดราชทันมเปิ่งปีสอง0ันรอยสาสิบปีที่ก็ปีหกแปดเขาแล้วกีป่ปีเขาไปแล้วเนสี่สิบปีเขาแล้วพวเราก็ยางนึกถึงพระคุณของท่านอยู่พระคุณของความดีวันนั้นขออนุมโอทนานะความดีพวกเราทุกคนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมจำศีลภาวานา องคาวครั้งนี้ขอกระสนที่พวกเราทั้งหบดที่ทํามานี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นผลดลบรรดาลให้พระแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องผู้รงรับไปแล้วจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทาเป็นในค่าคืนวันนี้และทุกครั้งที่เราทํามาขอโค้ตบุญปาให้เราทั้งหลายมีความสุขครเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านตื่น